สิกขาบทที่13ภิกษุณีไม่มีผ้ารัดฐันเข้าไปสู่บ้านต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ่ย่างเท้าก้าวที่หนึ่งเข้าสู่เขตรัว้วต้องอาบัตทุกกฎ 2. ย่างเท้าก้าวที่สองต้องอาบัตปาจิตตีชัตตุปาหนวักที่9จบ ขุททกศิกขาบทจบ